แล้วก็บางทีเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพื่อบูชาพระรัตนะไตรเช่นอะไร น, นะเสียงกลองเสียงกระดิ่งเสียงอะไรที่ฟังแล้วไพเราะอ่ะนะฟังแล้วไม่โกรธฟังแล้วไม่หงุดหงิดฟังแล้วไม่รําคาญฟังแล้วก็สบายใจก็คัดสรรหาเสียงเหล่านั้นอนะ่ะเพื่อจะบูชาพระัตนะไตรหรือให้ยาให้ยาเนี่ยนะยาที่บํารุงเสียงไม่ว่าจะเป็นน้ามันน้าผึ้งเป็นต้นแก่พระธรรมกถึกทั้งหลาย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 บางทีก็แสดงอุปนิสิณนักาหรืออนุโมทนาถาเองหรือบางทีก็ใช้ให้คนอื่นกล่าวอุปนิสิณนักาหรืออนุโมทนาถาแสดงอุปนิสิณนักาก็เช่นว่าเมื่อมีการสมัยใหม่เรียกปฏิสันฐานเมื่อมีการพบปะเจอเจอมีการกล่าวธรรมเพื่อปฏิสันถานต้อนรับเชื้อเชิญหรือ อนุโมทนากระถากล่าวอนุโมทนาชื่นชมในบุญกุศลคุณงามความดีที่เขาได้กระทำไปาการกระทำอย่างเนี้ยโดยใช้น้ำเสียงเนี่ยนะปรับเน้นที่ตัวเสียงก็เรียกว่าให้เสียงเป็นทาน น, นะเสียงก็เกี่ยวกับการกล่าวทำแสดงทมอนุโมทนาทำอะไรก็ได้วนๆเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวทำ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 แล้วก็คิดถึงว่าเราจะให้กลิ่นเป็นทานอย่างบางคนเนี่ยให้น้ำมะพร้าวเนี่ยก็บอกว่าเขาปรารบกลิ่นนะเาปรารถรถปรารบอะไรอย่างอื่นหรปรารถกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะบางคนก็จะให้ของอย่างเดียวบางแล้วแต่บางคนปรารบสีบางคนปรารบเสียงบางคนปรารบกลิ่นบางคนก็ปรารบรถแต่นี้ก็พูดถึงให้ของบางอย่างแล้วปรารถกลิ่นเช่นให้ข้าวบางอย่างปรารถกลิ่นจะให้ข้าวหอมอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ให้ผลไม้บางอย่างที่ปรารภกลิ่นให้ดอกไม้เพื่อปรารภกลิ่นว่าเรานี้ให้กลิ่นเป็นทานหรือการให้กลิ่นเป็นทานของเราบางทีก็เอาดอกไม้เรือว่าเอากลิ่นบูชาเองหรือว่าให้ผู้อื่นนี่เอากลิ่นบูชาพระรัตนตรยัยเช่นอาจจะเป็นกลิ่นกฤษณะกลิ่นจันเป็นต้นหรือน้ำอบน้ำหอมนะสมัยนี้ก็เน้นใช้น้าอบน้าหอม มันก่อนมีพระท่านเอากลิ่นจันทไปถวายกันนะกลิ่นจันทไปให้ก็เลยบอกเออเอาไปไว้ในห้องพระธาตุกันละกันงนั้นกลิ่นจันท์ท่านบอกว่าผมได้มาจากอินเดียว่าถ้ามันกลิ่นแรงเต็มที่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ของแทหรอกของแท้มันไม่ได้หอมขนาดนั้นหรอกเพราะงั้นเขาก็จะมีกลิ่นแท้ไม่แท้แต่ว่าปรารบกลิ่นหอมก็เรียกว่าให้กลิ่นเป็นทานเนี่ยนะบางคนก็ เวลาสังเกตดูไปสังเวชนิยสถานเนี่ยหลายๆท่านก็จะปรารบเอากลิ่นในยะต่างๆเอาไปเนี่ยนะมาทำกรรมมาไม่ดีเได้กลิ่นเมื่อไรก็เดือดร้อนที่จริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่จริงอะ่ะจมูกไม่ได้แพ้กลิ่นแต่ว่าคอเนี่ยมันแพนะ้แต่ถ้าได้กลิ่นแล้วก็สบายก็เงียบๆอดให้เสียงเป็นทานเนี่ยนะ นี่มาดูว่าถ้าให้รถเป็นทานนะให้รถเป็นทานก็เช่นได้วัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งคําว่ารถที่เป็นท า, นะ า, า, านเนี่ยนะผู้แต่งตามโบราณเลยก็จะเจอไล่ต่างกันรถของรากเช่นพวกเผือกมันเป็นต้นเนี่ยนะไอ้คำว่ารากก็ไม่ใช่ไปเอารากอะไรก็ไม่รู้หมายว่าพวกเผลือกพวกมันกลุ่มบริโภคสิ่งบริโภคที่อาศัยรากเป็นหลักกลุ่มบริโภคที่อาศัยต้นอาศัยเปลือกอาศัยกิ่งอาศัยใบอาศัยยอดอาศัยดอกอาศัยผล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 หรือว่ารถกับข้าวต่างๆเนี่ยนะรถกับข้าวแกงต่างๆไอ้แกงต่างๆจริงวัตถุดิบอาจจะไม่ค่อยต่างกันแต่ว่ารสชาติที่แตกต่างกันนั่นเองเรียกว่าปรารถรสเป็นทานจริงๆอย่างขนมหลายๆอย่างก็แป้งใส่น้ําตาลนั่นแหละแต่ว่าทําไมรสมันแตกต่างกันออกไปเพราะวิธีการปรุงที่แตกต่างกันไปการปรารถแต่ละอย่างเรียกว่าให้รสเป็นฐานให้รสชาตเป็นทาน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 อริยสัจจะทำนะแต่หมายถึงให้ธรรมารมณ์ให้ธรรมรมณ์นั้นอะไรคือเรียกว่าธรรมรมณ์ไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพธาภะที่เหลือจากนั้นเรียกว่าธรรมรมณ์คือการให้ไม่ใช่ปรารพสีไม่ใช่ปรารพบเสียงไม่ใช่ปรารพบกลิ่นปรารพบรสปรารพบโพธาภะอันนั้นแหละเรียกว่าให้ธรรมทานเช่น ให้โอชาเนี่ยนะโอชาเรียกอะไรเขให้พวกวิตามินแร่ธาตุสารอาหารเป็นทานแปรลวิตามินแร่ธาตุสารอาหารอันนี้เรียกเรียกว่าให้โอชะให้โอชะหรือน้ําดื่มเนี่ยนะน้ำเนี่ยอะโปธาตุา น, นี่นับว่าเป็นธรรมทานนะให้น้ําเป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทานเพราะอะไรเพราะน้ํานี่เป็นธรรมรมณ์เรียกว่าให้ธรรมรมณ์เป็นทานพอท่านได้ของที่ควรให้เ น, นี่ยนะเช่นไม่ว่าจะเป็น ของมีรสอร่อยเนยใสเนยข้นเช่นปลารพความหวานความหวานมันเป็นอะไรทานถ้าถ้าปรารพหวานรสะใช่ไหมแต่ถ้าปลารพคุณค่าล่ะการให้ที่ปลารพคุณค่าของเนยใสเนยข้นพวกนี้ก็เรียกว่าให้ทําเป็นทานหรือให้น้ําผลไม้เนี่ยนะการปลารบน้ําผลไม้น้ํามะม่วงเช่นน้ํามะม่วงน้ําองุ่นเป็นต้นการให้น้ําเหล่านี้เป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทาน เพราะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสโพธทภพะปรารพอย่างอื่นเนี่ยนะเลยเรียกว่าให้ธรรมทานหรือบางทีก็ให้ชีวิตเป็นทานปรารพชีวิต เ, เช่นให้ข้าวปรารถเขาจะได้มีชีวิตยืนยาวสลากภพัตปักขิกภพัดเป็นต้นเนี่ยนะหรือหายาให้แก่คนเจ็บป่วย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 สบายในขณะนั้นและก็ยังน้อมอีกว่าผลแห่งการให้เหล่านี้จงเป็นไปเพื่อช่วยให้สรัพสัตมนั้นได้รับประโยชน์ยิ่งกว่านี้โดยเฉพาะรับประโยชน์ที่เรียกว่าบรรลุมรุญผลเป็นต้นอันหนึ่งน้อมทานเรียกว่าน้อมบุญเนี่ยนะน้อมบุญยสัมปทาเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณของต น, นนะว่าด้วยบุญด้วยผลแห่งการให้ทานครั้งนี้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 ประกอบกุศลธรรมเนี่ยนะให้เป็นสมถวิปัสนาแสดงว่าการให้ของท่านให้เพื่อให้กุศลเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเป็นการให้เพื่อบ่มกุศลในระดับสูงให้กุศลชั้นสูงเนี่ยเจริญเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นการให้เพื่อมีปฏิพันธ์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 ซับยังเหลือโอ้ยได้ทำบุญเยอะแยะเลยพูดตอนหมดนะเถอถ้ามีจริงก็ไม่ให้หรอกนะเพราะไอ้มีก็ไม่ได้คิดจะให้อะไรเท่าไหร่แต่ก็อ้างไอ้ที่มันหมดไปแล้วเนี่ยนะรู้อย่างนี้ให้ทานสั ก, ก็ดีประาณนั้นแต่ถ้ามันเกิดไม่หมดจริงก็ไม่ให้อีกตามเดิมคือบางคนนั้นจะมีเหตุผลจนให้ไม่ได้แต่นะแล้วก็อ้างไอ้ที่มันสูญเสียไปนี่แหละโอ้ถ้ารู้งนี้ให้ทานสักก็ดีนะ อันท่างก็รู้เลยว่าชีวิตก็เป็นของไม่ยั่งยืนพว ก, กศระซับทั้งหลายก็เป็นของไม่แน่นอนเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของสาธารณะอย่างสตังทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่มือใครก็ของคนนั้นเนยวก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยอ่ะ้มันของใครใช่นะั้นข้าวปลาทั้งหลายอาหารทั้งหลายที่เราบริโภคก็เหมือนกันที่วางตาม ราหารทั้งหลายก็แล้วแต่มันของสาธารณะผู้ใดมีบุญก็ใช้ไปบริโภคไปเนี่ยนะรถทั้งหลายก็เหมือนกันของสาธารณะเหนเปลี่ยนกันใช้เรื่อยเนี่ยนะก็เลยไม่ใช่ไปรู้ว่าของใครกันแน่ก็ถือว่าเป็นของที่เป็นสาธารณะพันธะเราไม่น้อมไปเพื่อเจริญบุญเจริญกุศลเป็นต้นก็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 แผลดเผาไฟคือโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นแผลดเผาของที่เขาเอาทําบุญให้ทานบริโภคเองหรือทาบุญเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของที่เรียกว่าติดตามตัวเขาไปส่วนที่เหลือถามว่ามันเป็นของใครที่จริงๆของใครแท้ๆมันก็ไม่มี น, นะก็อันตรานไปอย่างนั้นแหละขณะเดียวกันการให้ของท่านนี่ให้แบบไม่เพ่งเล็งให้แบบไม่อาลัยอาวรณ์ให้แบบ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 เพราะว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หอกมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่มาโดยการสั่งสมบุญบารมีสั่งสมบุญกุศลมาตลอดระยะเวลาอันเนิ่นนานถามว่าปกติศีลเนี่ยนะมีความบริสุทธิ์อย่างไรบอกว่าศีลเนี่ยย่อมมีความบริสุทธิ์โดยอาการ4อย่างความบริสุทธิ์แห่งศีลเนี่ยนะมีโดยอาการ4อย่าง 1. เพราะความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยสอบริสุทธิ์เพราะสมาทาน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 ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบางครั้งอัตยาสัยไม่ค่อยดีเจอบางเหตุการณ์เนี่ยมันก็อยากฆ่าเหมือนกันนะ<ม>เจอบางเหตุการณ์เข้าั้มบางทีก็ไม่ได้ลักเอาไปใช้หรอกแต่ว่าต้องการทำลายทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะต้องการสร้างความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีการสมาทานกันละนะก็ต้องมีการสมาทานมีการอธิษฐานมีการปรารบไว้อย่างเสมอ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 ท่า น, นก็บอกว่าทําให้เป็นปกติรีบสมาทานเหมือนอย่างว่าเด็กอ่อนนอนแบเบาะถ้าหากว่าเหยียดมือไปเจอไฟเนี่ยเด็กเหล่านั้นจะทําอย่างไรรีบหดคืนฉันใดผู้ที่เห็นโทษของการล่วงศีลก็เหมือนกับเห็นโทษของการยื่นมือเข้าไปใส่กองไฟแล้วก็รีบทําคืนรีบสมาทานปรารบทําคืนฉะนั้นนะนะมันก็พลาดได้มันก็ผิดได้แต่ก็รีบทําคืนเหมือนกับคนที่ทำซทับตกเนี่ยนะ คนที่ทําทรัพย์ตกถามว่าเขาจะรีบเก็บคืนไหมฉันใดก็เห็นตกก็ตกไปสิมันตกแล้วอ่ะทําไงก็รีบเก็บคืนรีบสมาทานรีบอธิษฐานปกปักรักษาไม่ให้มีการพลังพลาดไม่ให้มีการต่อไปถ้ามีการพลังพลาดอีกก็รีบทําคืนอีกฉันนั้นเนี่ยนะพันศีลของผู้ที่ทําได้อย่างนี้ก็จะเป็นศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยนะพันพยายามตั้งอัธยาศัยให้ที่ อย่างที่เราตั้งความปรารถนาขอให้เป็นผู้มีศีลรักศีลอันนก็ขอให้มีศีลอยู่ตลอดให้ใจเป็นไปกับศีลให้ใจยินดีกับศีลให้เป็นคนที่รักศีลชื่นชมในคุณงามความดีที่เป็นไปกับศีลเนี่ยนะก็ลักษณะนั้นคนที่มีอัธยาศัยแบบนี้ทำให้ศีลมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปปกติแล้วศีลเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่ทาให้มีศีลหรือเหตุใกล้ที่ทาให้เกิดศีลก็คือ ฮิริกับโอตะ ป, ปะฮิริโอตะ ป, ปะถือว่าเหตุใกล้แห่งศีลอย่างบางคนเนี่ยมีหิริเป็นเหตุใกล้ให้รักษาศีลเช่นมีตนเป็นใหญ่พวกนี้เกรงใจตัวเองที่สุดนะพวกนี้ไม่เกรงใจใครหรอกบอกโลกนี้เกรงใจคนเดียวว่างั้นใครอะบอตัวเองคนที่เกรงใจตัวเองประเภทนี้แหละเรียกว่าคนมีหิริเนี่ยคนมีฮิรินรั้นก็เกลียดที่ตัวเองจะต้องไปทําบาปเรียกว่าคนที่เคารพตนนับถือตน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 ใครอ่ะใครเป็นคนสอบประวัติตัวเองบอกตัวเองนั่นแหละสอบประวัติตัวเองบ่อยๆกลัวว่าจะตัวเองจะเสียประวัติตัวเองเมื่อตัวเองเสียประวัติความเคารพในตัวเองจะลดลงจะว่าเหมือนคนมีมานะมากเหมือนนะแต่ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีมานะจริงๆมันก็เอาไว้ข่มคนอื่นใช่ไหมเอาไว้ลําพองเอาไว้แบบพองลมไปอย่างนั้นแต่นี่หมายความว่าเป็นคนที่เคารพตนปรารบต น, บตนก็เราเป็นอย่างนี้เราจะไปทําบาปอย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะ ลักษณะ น, นี้เรียกว่ามีหิริเรียกว่าปราลบภายในเป็นเป็นหลักเนี่ยนะเรียกว่าเกรงใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองละอายใจที่ตัวเองจะต้องไปทําบาปละอายใจตัวเองที่ต้องไปทําอกุศลก็มันสมาถานบ่อยๆเนะี่ยนะพวกนี้เกรงใจตัวเองมากนับถือตัวเองมากเกรงใจคนอื่นนะไม่เท่าไหร่หรอกเกรงใจตัวเองเนี่ยสูงที่สุด บอกว่าคนอื่นตำหนิบ้าก็ช่างประไรแต่กลัวที่สุดกลัวตัวเองตำหนิตัวเองเนี่ยน ะ, ะให้รู้เธอว่าพวกนี้เคารพตนเนี่ยนะเคารพตนไม่ใช่คนที่เคารพตนหรือเรียกว่าอัตตาที่ปไตยจะเลวนะไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าแบบนี้เลวนะอัตตาที่ปไตยเนี่ยเรียกว่าวมีตนเป็นใหญ่พวกมีตนเป็นใหญ่เนี่ยพวกนี้มีฮิริบางคนเนี่ยรักษาศีลเพราะมีฮิริเนี่ยนะส่วนบางคนเนี่ยพวกนี้มีโลกเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตย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 ปรารภพวกพี่พวกพ้องลุงป้านะฮะครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือปรารภพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ยอมทำความชั่วนี่เรียกว่าเป็นคนมีโอตตปะเรียกว่าเกรงใจคนอื่นก็เลยไม่ยอมทำบาปเนี่ยนะและก็อีกอย่างหนึ่งก็กลัวตกนรกด้วยนั่นแหละ